ในข้อสมาธิตามที่ภิกษุทั้งหลายได้กลับเรียนถามมาทีละตอนทีละตอนโดยลำดับจนถึงตอนที่ท่านพระสาริบุตรเถระได้ตอบว่ายังมีปริยายคือทางแสดงอื่นต่อไปอีก คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบได้แก่รู้จักอวิชชารู้จักเหตุเกิดอวิชชารู้จักความาวิชารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาและท่านได้แสดงอธิบายไปทีละข้อว่ารู้จักอวิชชา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 อวิชชาจึงเกิดไม่รู้ความดับอวิชชาก็คือไม่รู้จักว่าเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาก็คือไม่รู้จักมักมีองแปดมีสัมมาทิฏฐิความเป็นชอบเป็นต้นจะได้อธิบายในข้อแรก ไม่รู้จักอวิชชาอาวิชชานี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าเป็นก่อนเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกัน ที่อาศัยกันมังเกิดขึ้นก็ตรัดแสดงอวิชชาไว้เป็นข้อตน้นและบรรดากิเลสที่เป็นอย่างละเอียดอันมังเกิดนอนจมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานดองจิตสันดานซึ่งเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัย ก็มีอวิชชาเป็นข้อสำคัญและได้มีพระพุทธธิบาบอาวิชชาดังที่ท่านพระสาริบุตรได้นำมาธิบายคือความไม่อย่างรู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ได้แสดงอวิชชาสี่ไว้ดังนี้เป็นพื้น และที่แสดงวิชาแปดก็มีคือเติมเข้าอีกสี่ข้ออันได้แก่ไม่รู้จักเงื่อนตน้นไม่รู้จักเงื่อนปลายไม่รู้จักทั้งเงื่อนตน้นทั้งเงื่อนปลายไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้น อีกปริยายคือทางแสดงอันหนึ่งก็ได้แก่ไม่รู้จักไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมบตัติคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นจะได้แสดงคําว่าอาวิชชาและอวิชชาในอริสัต์ทั้งสี่นั้นก่อน อันเป็นข้อหลักอวิชชาแปลตามศัพท์ว่าความไม่รู้อันหมายความว่าไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้งสี่ดังกล่าวนั้นแต่ว่าถ้ายกขึ้นมาเพียงคำเดียวว่าไม่รู้ก็อาจมีปัญหาว่าสิ่งที่มีความไม่รู้ ก็จะเป็นดังก้อนหินก้อนดินท่อนไม้เป็นต้นซึ่งไม่มีความรู้อยู่ในตัวแต่ว่าอันบุคคลแม่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวดังคนเรา ก็มีความรู้อะไรๆ อ, อยู่ในตัวฉะนั้นจะเรียกว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำอธิบายให้ชัดขึ้นว่าอาวิชชานั้นเป็นข้อที่มีอยู่เป็นสิ่งที่มีอยู่แก่สัตว์โลกทั้งหลาย ซึ่งมีวิญญาณธาตุคือธาตุรู้หรือว่ามีจิตอันซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธาตุรู้ดังมนุษย์เราคนเราก็มีความรู้อะไรอะไรอยู่ตั้ง ต, นต้นจะมีความรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงเป็นตน้น ตลอดจนถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่มีเป็นพื้นอยู่และที่ศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาต่างๆอันเรียกว่าวิชาหรือปัญญาฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคำตอบ ว่าฉะนั้นคนเราจึงจะชื่อว่ามีอวิชชาได้อย่างไรจึงมีคาตอบว่าก็มีความรู้นั่นแหละจึงมีอวิชชาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีความรู้อย่างก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ก็ไม่มีอวิชชาขึ้นมาได้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 ไม่ผิดจากความจริงก็เป็นวิชชาและอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงของจริงของแท้หรือ ก, กล่าวอีกในยะหนึ่งว่าเป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะคือของจริงของแท่นี่คืออวิชชาพระพุทธเจ้า ผู้รู้ผู้เห็นได้ทรงอธิบายอาวิชานี้ได้ว่าในแก่ความที่ไม่มีญาณคือความอย่างรู้ในทุกเป็นต้นดังกล่าวแต่หากว่าถ้ามิได้พระพุทธเจา้าผู้รู้ผู้เห็นมาทรงแสดงสั่งสอนทุกๆุกคน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 เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วแต่อันที่จริงนั้นยังมีชาติมีพบก็เชื่อว่ายังมีทุกมียังยังมีทุกยังมีกิเลสยังไม่สิ้นทุกยังไม่สิ้นกิเลสดังที่มีความต้องการเกิดอีกแม้ในชาติพบที่เข้าใจว่ายั่งยืนและ เมื่อไปเกิดในชาติภพนั้นแล้วก็ยังยืนมีภูที่เกิดอยู่ยังยืนและเต็มไปด้วยความสุขต่างๆดังฤาษีทั้งหลายดาบททั้งหลายภูปฏิบัติแม้ใกล้พุทธศาสนาเข้ามามากดังเช่นท่านอ า, าลาลลาบทกาลามะโคต อุทธกาดาบุตรรามบุตรปฏิบัตินับว่าสมบูรณ์อยู่มากในศีลในสมาธิคือได้ถึงสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดหรือว่ารูปปัจจานอรูปปัจจานแต่ว่าก็ติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าต้องการที่จะไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหม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 จึงยังมีกิเลสคือความต้องการจะไปเกิดอันเป็นตันหาและเมื่อไปเกิดอีกความเกิดนั่นก็ยังเป็นทุกข์เพราะเมื่อมีเกิดก็จะต้องมีแก่มีตายเมื่อไปเกิดเป็นเทพก็จะต้องมียุติคือเคลื่อนออกจากความเป็นเทพในที่สุดจึงยังไม่พ้นทุกข์ไม่พ้นความเวียนว่ายตายเกิด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 ความรู้ของบรรดาศ า, ศาสตาและสิทธังปวงนั้นยังเป็นความรู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดและเมื่อสำคัญว่าถึงที่สุดความสำคัญผิดเป็นความเห็นผิดความรู้ก็เป็นความรู้ที่ผิดจากสัจจะที่เป็นตัวความจรงิงดังกล่าวยังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้น ดึงได้เสด็จหลีกออกไปทรงสแสวงหาโมกขธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องหลุดพ้นโดยพระองค์เองและแม้พระองค์เองก็ทรงรู้พระองค์เองวความรู้ของพระองค์เองที่ยังมีอยู่ในขณะที่ทรงสแสวงหานั้นก็ยังเป็นความรู้ที่ยังเป็นอวิชชาอยู่อีกเหมือนกันเพราะยังไม่พบ สัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นโมกะธรรมธรรมะจะ้ไหมเรื่องหลุดพ้นจากกิเลสละกองทุกข์ได้จริงยังไม่ทรงรู้ในขณะนั้นว่าสัจจะที่เป็นความจริงนั้นคืออะไรจันนั้นแม้ความรู้ของเระองค์เองในขณะนั้นก็ยังเป็นความรู้ที่จะเป็นอาวิชาทรงปราถนาจะได้ความรู้ที่เป็นวิชาคือความรู้ที่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 ตามเสด็จพระราชบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญตรงในสมาธิถึงขั้นปฐมฌานโดยที่จิตของพระองค์เรียนรวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกสงบจากนิวรณทั้งหลายที่ทันแสดงว่าถึงปฐมฌานแต่หลังจากนั้นสมาธินี้ก็เสื่อมไปเป็นสมาธิที่บริสุทธ์ ไม่ได้ทรงได้สมาธินี้ด้วยมุ่งที่จะไปเกิดเป็นพรหมหรือเป็นอะไรเพื่อชาติพบอะไรจิตรวมเข้ามากำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็สงบอยู่ภายในสงบจากตามสงบจากอากุศลธรรมสงบจากอิวอนทั้งหลายดึงได้จับปฏิบัติ ทางสมาธิอันบริสุทธิ์นี้จนทรงได้อัปปนาสมาธิสมาธิที่บริสุทธิ์ก็เป็นสมาธินับเข้าในสมาบัติหรือในฌานที่ทันดาบททั้งสองท่นานได้นีก็เลยสอนนั่นแหละแต่ว่าความมุ่งหมายต่างกันและสองท่านดาบททั้งสองนั้น ทันสิ้นสุดเพียงเท่านั้นเพราะเพียงพอที่จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วก็สิ้นสุดเพียงเท่านั้นตัวกลายเป็นสมาธิที่เป็นตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกเพราะเป็นเหตุให้เกิดชาติต่อไปอีกอันนี้เป็นเงื่อนสําคัญคือสมาธิที่ปฏิบัติไม่ถูกทางแม้จะได้สมาธิจนถึงชาตถึงสมาบัติ ก็เป็นสมาธิเป็นทุกขสมบูทัยเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เป็นสมาธิเป็นทุกข์ที่เป็นทุกขิขโรณีด้วยความดับทุกข์ไม่เป็นสมาธิที่นับเ่าในมรรคมีองค์แปดของพระพุทธเจ้าคือสมาสมาธิที่เป็นข้อที่แปดฉะนั้นสมาธิเมื่อสรุปกันแล้วจึงมีสองอย่างสมาธิที่เป็นทุกขสมมบไทัยเหตุให้เกิดทุกข์อย่างหนึ่ง สมาธิติ่เป็นทุกขนิโรธคือเป็นเหตุให้ดับทุกข์เป็นความดับทุกข์อีกอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติสมาธิแม้ในพุทธศาสนาเองตามวิธีที่พพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้เองบางทีก็ได้สมาธิดีัป็นาธิแต่หากว่าจะเป็นไปไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์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 เป็นไปเพื่อทุกข์กระน้รโทษคือความดับทุกข์คือไม่ต้องการชาติพบอีกต่อไปไม่ต้องการมนุษย์สิสมบัติไม่ต้องการสวรรค์สมบัติหรือไม่ต้องการความเป็นเทพความเป็นพรหมอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าต้องการนิพพานซึ่งยังเป็นความต้องการอยู่เพราะฉะนั้น แม่จะยังมีตัณหาคือความดิ้นรนที่ยานอยากเพราะยังละตัณหาไม่ได้ยังมีตัณหาอยู่แต่ก็ใช้ตัณหานั้นเพื่อนิพพานคือต้องการนิพพานเพียงอย่างเดียวดังที่ได้มีแสดงว่าอาศัยตัณหาละตัณหาก็คืออาศัยตัณหาที่มีอยู่นี่เป็นตัณหาเพื่อนิพพานต้องการนิพพาน ก็เพื่อละตัณหานั่นเองยังเป็นสมาธิไปที่ปฏิบัติเพื่อทุกข์ในโรดคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาที่พอใจกรรมาฐานก็ต้องรู้จักว่ามีสองอย่างคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็เป็นไปเพื่อทุกขขัสมุทัยเหตุในเกิดทุกข์ หรือว่าปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็เป็นไปเพื่อทุกข้นโรความดับทุกข์ดนั้นต้องให้รู้จักดังนี้และที่เป็นไปเพื่อทุกขนิโรดและที่เป็นไปเพื่อทุกข์สมุทัยเหตุในเกิดทุกข์นั้นก็เพราะไปะยึดถือในอุปกิเลสของสมาธิในเมื่อปฏิบัติทางสมาธิไปยึดถือในอุปกเลสของปัญญา ในเพื่อปฏิบัติทางมีปัสนาอันเรียกว่าวิปัสโนูบกิเลสไปติดเสียในอุในวิปัสโนูบกิเลสนั่นก็เลยกลายเป็นทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกไปเพราะว่าผลของสมาธิของมีปัสนานั่นที่ได้โดยลำดับเป็นผลที่ชวนให้ติดเป็นอุปกิเลสขึ้นมาเป็นอันมาก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 ทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงได้จับปฏิบัติในศีลในสมาธิอันเป็นไปเพื่อทุกขนิโรธได้อปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่ก็ถึงขั้นฌานกั น, น, น, นสมาบัตินั่นแหละยานคือความยังรู้คือผุดขึ้นแยพระองค์ ดังที่ตัดแสดงไว้ในปฐมเทศนามาทรงทร ง, ทรงพบทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาข้อปฏิบัตินั้นเป็นหนทางกลางมีสมาธิิความเห็นชอบเป็นต้นก็คือมักมีองแปดนั่นแหละทรงปฏิบัติไปนในมักมีองแปดนี้ทันเป็นไปเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์เป็นไปเพื่อยานคือความอย่างรู้จึงทรงได้ยานคือความอย่างรู้ขึ้น ก็คือว่ายานคือความอย่างรู้ที่แสดงไว้ว่าจากขูคือดวงตาผุดขึ้นยานคือความอย่างรู้ผุดขึ้นปัญญาคือความรู้ทั่วถึงผุดขึ้นวิชาคือความรู้ผุดขึ้นอาโลกคือความสว่างผุดขึ้นในธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เคยทรงสดับมา ก, ก่อนวันนี้ทุก ทุกควรกําหนดรู้ทุกพระองค์ทรงกําหนดรู้ได้แล้วนี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกสมุทยัทยนี้ควรละสมุทัยนี้ทรงละได้แล้วนี้นิโรธคือความดับทุกความดับทุกควรกระทําให้แจ้งความดับทุกขนี้พระองค์กระทําให้แจ้งได้แล้วนีมัจคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุก ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกนี้ควรอบรมให้มีขึ้นในเป็นขึ้นทางดับทุกนี้พระองค์ได้ทรงอบรมให้มีขึ้นในเป็นขึ้นสมบูรณบริบูรณ์แล้วดังนี้ยานคือความอย่างรู้ผุดขึ้นแก่พระองค์ดังนี้ในธรรมะที่มีได้ทรงสดับแล้วมาก่อนจึงได้ทรงพอพระทัยว่ารู้ละรู้แล้วได้ตรัสรู้ อภิสัมภอรทคือความตรัสรู้ยิ่งแล้วทรงเป็นภูติตรัสรู้ยิ่งจะเรียกว่าตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วอวิชชาคือความไม่รู้จึ่งดับไปวิ ช, ชาความรู้ผดขึ้นหรือจะเรียกว่าวิ ช, ชาคือความรู้ผุดขึ้นอวิชชาดับไปเหมือนแสงสว่างเมื่เกิดขึ้นความมืดก็าหายไป